อีกประการหนึ่งโปรดเอาลึกไว้ด้วยว่าจะเป็นที่กลางแจ้งหรือภายในร่มเงาของบ้านก็ไม่มีความแตกต่างกันเราไม่มีฤดูต่างๆที่ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ฉายแสงอยู่ตรงกลางฟ้าตลอดเวลาและแสงอาทิตย์ที่เราได้รับก็ทำให้เราอบอุ่นอยู่อย่างสบายที่สุดดังนั้น เราก็ไม่จําเป็นต้องออกเดินเพื่อยืดเส้นยืดสายให้เลือดลมเดินสะดวกเพราะเลือดลมของเราก็เดินสะดวกอยู่ตลอดการไม่มีวันอึดอัดขัดข้องอันที่จริงในสภาวะดังกล่าวมานี้บ้านช่องที่อยู่ก็ไม่มีความจําเป็นอย่างใดนอกจากจะเป็นเครื่องช่วยเพิ่มความสําราญให้แก่ชีวิตซึ่งมีแต่ความสําราญอยู่แล้วและความจริงก็มีหลายต่อหลายท่าน ที่ไม่ได้คิดจะมีบ้านอยู่เลยโดยที่ท่านก็มีความสุขสบายไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกันเราไม่มีความหิวความเจ็บป่วยความขาดแคลนอย่างใดโรคทิพย์ในภูมินี้ทั้งหมดเป็นของเราและเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนได้โดยเสรีอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อกายของเรา มีความสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เร็วเท่าเท่ากับความเร็วของจิตเช่นนี้แล้วการแข่งขันกันด้วยความเร็วของร่างกายเช่นวิ่งแข่งเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อีกกล่าวโดยสรุปก็คือพวกเราชาวโลกทิปสามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้อย่างสุขสบายแม้โดยการเปลี่ยนงานหรือศึกษาหาความรู้ในขแขนงต่างๆก็ได้ ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องที่กล่าวมานี้ในโลกมนุษย์จะกลายเป็นงานซ้อนงานทำให้หนักสมองและร่างกายยิ่งขึ้นไปอีกทีเดียวตอนที่ส3บสโลกทิพย์อยู่ที่ไหนบุคคลส่วนมากคงจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าโลกทิพย์นี้ถ้ามีจริงจะอยู่ที่ไหนและเราจะไปถึงโลกทิพย์ได้อย่างไรปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ และสาคัญที่สุดก็พระเจ้าเองก็เช่นเดียวกับคนทั้งหลายเหมือนกันได้เคยคุ่นคิดหาคำตอบมาแล้วในสมัยเมื่อยังไม่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้การอธิบายถึงเรื่องนี้จำเป็นจะต้องย้อนไปกล่าวถึงเมื่อตอนที่พระเจ้าเจ็บหนักและในขณะนั้นกายทิพย์กำลังจะพากจากกายเนื้ออยู่แล้วในขณะที่กายะสังขารออนกลังลงทุกที ย้จนจะขาดอยู่แล้วนั้นข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกยังรุนแรงว่าต้องการที่จะลุกขึ้นให้ได้และในขณะต่อมาก็ได้รู้สึกว่าตนเองได้ลุกขึ้นมาแล้วจริงๆอันที่จริงกายที่ลุกขึ้นมาจากที่นอนได้สําเร็จนี้หาใช่เป็นกายเนื้อไม่แต่เป็นกายเทิพซึ่งพลากจากกายเนื้อแล้วทั้งนี้เพราะกายเนื้อของข้าพเจ้ายังคงนอนทอดอยู่บนเตียงนั่นเอง ในตอนนี้ขอให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูให้ดีเพื่อจะได้เห็นว่าเส้นเขตแดนที่กั้นระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์นี้อยู่ที่ไหนท่านคงจะเห็นได้แล้วว่ากระบวนการของกายทิพย์ที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับการสิ้นสุดลงแห่งกระบวนการของกายเนื้อนั้นเป็นของละเอียดอย่างยิ่งยากที่จะกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้ว่า เส้นก้านเขตแดนระหว่างโลกทั้งสองนี้ควรจะอยู่หน้าที่ใดทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ายังคงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้นนั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือข้าพเจ้าคงมีสติสมฤดีอยู่ตลอดเวลาที่ความรู้สึกทางกายเนื้อดับและเริ่มเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์โดยในนี้ เมื่อว่าโดยฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้วก็ดูมันจะกล่าวไม่ได้ว่าโลกทิพนี้ควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าการละกายเนื้อเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพนี้เป็นกระบวนการที่ละเอียดและสุขุมอย่างยิ่งจนไม่สามารถจะหาจุดปักปันเขตแดนให้แน่นอนได้แต่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย รเลึกถึงความจริงไว้อีกประการหนึ่งว่าในขณะที่ประสาทและความรู้สึกทางกายเนื้อซึ่งรับรู้หรือเสวยเวทนาอันเกิดจากความเจ็บไข้ของกายเนื้ออยู่ตลอดเวลามาได้ดับวูบลงนั้นในทันทีข้าพเจ้าก็รู้สึกเกิดความเบาและปลอดโปร่งขึ้นมาทั้งกายและใจขึ้นแทนที่มันเป็นความรู้สึกที่เราครอยู่ด้วยความปีติยินดี ออบอาบอยู่ในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกเขาพระเจ้ารู้สึกว่าอยากจะหายใจแรงๆด้วยความโล่งอกและก็ได้กระทำตามที่คิดไว้จริงๆพึงสังเกตว่าความรู้สึกอันรุนแรงที่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงให้ได้ก็ดีและความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของกายเนื้อที่ดับวูบลงก็ดีเป็นเครื่องสอดแสดงว่า กายเนื้อของข้าพเจ้าได้ถึงแก่ความตายไปแล้วและในขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ผุดขึ้นในแดนทิพย์ทันทีแต่อย่าลืมว่ากระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นที่ห้องนอนในโลกมนุษย์นี้เองและจนถึงเวลาที่กล่าวนี้คือในขณะที่ข้าพเจ้าได้ละกายเนื้อผ่านเข้ามาสู่ภาวะอันเป็นทิพย์นี้ ข้าพเจ้าก็ยังคงอยู่ในห้องนอนดังกล่าวนี้เองดังนั้นน่าจะพอมองเขาได้ลางๆว่าโลกทั้งสองนี้คงจะซ้อนกันอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าจะแสดงว่าที่ตั้งของโลกทิพย์นี้ควรจะอยู่หน้าที่ใดเพราะด้วยอาศัยประสบการณ์ดังที่ได้บรรยายมาแต่ต้นนี้จะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถจะบอกถึงฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์ได้เลยในขณะต่อมาหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ละโลกมนุษย์ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็คือการปรากฏตัวขึ้นของเอ็ดวินเม็ดผู้หนึ่งของข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้ตายจากโลกมนุษย์มาก่อนข้าพเจ้าแล้วหลายปีสถานที่ที่เราได้พบและสนทนา ก, นกันก็คือ ในห้องนอนของข้าพเจ้าในโลกมรุษย์นั่นเองและภายหลังได้สนทนากันครู่หนึ่งด้วยความดีใจที่ได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเอ็ดวินก็แนะนําว่าเราควรจะไปเสียจากที่นั่นเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศโดยรอบเต็มไปได้วยความเศร้าสลดอยู่มากเอ็ดวินได้จับแขนของข้าพเจ้าไว้แล้วบอกให้หลับตาเสียต่อจากนั้น ข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่าค่อยๆเคลื่อนไหวไปในที่ว่างเปล่าห่างจากที่นั้นออกไปทุกทีซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังเดินทางไปในทิศใดในขณะนั้นคงมีแต่ความรู้สึกว่ากำลังเดินทางไปเรื่อยๆเท่านั้นจะเป็นการเดินทางขึ้นรงหรือไม่หรือไปตามทางราบก็รู้สึกว่าบอกไม่ถูกจริงๆ ยิ่งเดินทางไปก็รู้สึกว่าตนเองกําลังเคลื่อนที่ไปยิ่งเร็วขึ้นทุกขณะและในที่สุดเมื่อเอ็ดวินได้บอกให้ข้าพเจ้าลืมตาขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าตนกําลังยืนอยู่หน้าบ้านในโลกทิพย์เสียแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้สิ่งแปลกแปลกใหม่ๆอีกหลายอย่างดังที่ได้พรันานามาบ้างแล้วในบทต้นๆเหล่านั้น ในบรรดาความรู้และประสบการณ์ที่ล้วนใหม่และแปลกประหลาดน่าทึ่งอย่างยิ่งนั้นก็คือการเดินทางไปไหนมาไหนซึ่งไม่ต้องใช้วิธีเดินดังที่เราเคยกระทำกันอยู่ในโลกมนุษย์อาณาเขตของโลกทิปนี้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือขนานาบางครั้งเราจําเป็นต้องไปถึงที่ที่ต้องการจะไปในทันที แม้ว่าสถานที่นั้นๆจะอยู่ห่างไกลออกไปเพียงใดก็ตามเราก็สามารถไปถึงได้โดยทันทีเหมือนกันดังเช่นที่พ ร, ระเจ้าได้เคยบรรยายให้ฟังมาแล้วเช่นเดียวกันในสภาวะอันเป็นทิพย์เช่นนี้เรามีความเร็วของร่างกายเท่าเทียมกับความเร็วของจิตโดยแท้แต่สิ่งที่แปลกประหลาดประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปสู่จุดหมายที่ห่างไกลออกไปด้วยความเร็วของร่างกายเท่าเทียมกับความเร็วของจิตนั้นข้าพเจ้าบอกไม่ถูกจริงๆว่าได้เคลื่อนไหวไปด้วยประการใดหรือโดยทิศทางใดคงรู้สึกแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวแวบไปเท่านั้นมีความจริงอีกประการหนึ่งก็คือในสภาวะเช่นนี้คือในโลกทิพย์อันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้ เราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการหลงทางขึ้นได้เลยเรื่องเช่นนี้จะมีขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดแต่การไม่รู้ถึงทิศทางของการเคลื่อนไหวแวบไปสู่จุดหมายปลายทางของเราเช่นนี้มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการไปไหนมาไหนของเราแต่อย่างใดเลยเช่นพอเรานึกว่าต้องการจะไปที่นั้นที่นี้จะใ ก, กล้หรือไกลเพียงใดก็ตาม เราก็นึกให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวไปตามความคิดซึ่งในทันใดนั้นกายอันเป็นคิปของเราก็จะดำเนินตามเจตนาของเราทันทีอย่างชนิดที่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาคิดติตรองแต่อย่างใดเลยข้าพเจ้าได้สืบถามผู้อื่นในเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายท่านด้วยกันในเรื่องนี้ก็ได้ความจริงเป็นเช่นเดียวกันหมดทุกราย จริงอยู่ในตอนแรกเมื่อเริ่มฝึกหัดใหม่ๆสัญญาในกายเนื้อยังไม่ลบเลือนไปเราก็อาจจะรู้สึกขัดขืนอยู่บ้างแต่ในที่สุดก็จะเคยชินไปเองมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าระยะเวลาที่เราตั้งต้นคิดว่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางกับขณะที่เราได้ไปถึงที่หมายปลายทางนั้นดูเหมือนว่าวัดไม่ได้เลยทีเดียว เพราะมันเป็นไปอย่างฉับพลันทันทีและเกินด้วยเหตุดังกล่าวมาอาจจะพอทำให้ท่านผู้อ่านเห็นได้ว่าการที่จะกล่าวให้แน่ชัดลงไปว่าโลกทิพนี้ถ้ามีจริงแล้วควรจะตั้งอยู่ทางทิศไหนของโลกมนุษย์นั้นเป็นของยากอย่างยิ่งอันที่จริงพวกเราชาวโลกทิพน์ก็ไม่เคยวิตกกังวลต่อปัญหาเช่นนี้เลย เพราะเรารู้ถึงความมีอยู่และความจริงของดินแดนของเราอยู่เต็มอกแล้วจนไม่ต้องเสียเวลาไปคิดให้เปลืองสมองว่าโลกของเราควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์แม้เราจะถูกชาวโลกมนุษย์สมมติเรียกกันว่าตายแล้วก็ตามแต่เราก็รู้ดีว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างบริบูรณ์ดังนั้นการที่ชาวโลกมนุษย์ จะพูดถึงหรือคิดเห็นอย่างใดเกี่ยวกับพวกเราจึงไม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่อย่างใดข้าพเจ้าเองอาจมีส่วนผิดจากผู้อื่นอยู่บ้างก็ในข้อที่ว่ารู้สึกกระหายใครจะให้ชาวโลกมนุษย์ได้ทราบถึงความเป็นไปอันแท้จริงของพวกเราเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมนุษย์อยู่บ้างหากเขาเหล่านั้นได้ทราบพอเป็นเงาเว่า โลกทิพนี้มีอยู่จริงเพียงไรและน่าจะตั้งอยู่นาที่ใดเมื่อเปรียบกับโลกมนุษย์โลกทิพนี้ไม่ใช่มีอยู่เพียงโลกเดียวเท่านั้นแต่อันที่จริงมีอยู่หลายชั้นหรือหลายภูมิด้วยกันซึ่งบางท่านได้แบ่งออกเป็นเจ็ดชั้นคือจากชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุดจนถึงชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นสูงที่สุดคำว่าต่าหรือสูงในที่นี้ หมายถึงความหยาบหรือประณี t แห่งจิตใจหรืออีกในหนึ่งหมายถึงวิวัฒนาการทางจิตซึ่งจะสูงขึ้นไปโดยลำดับเหมือนการขึ้นบันไดเจ็ดชั้นฉะนั้นอาณาเขตของโลกทิพเหล่านี้อยู่ซ้อนกันเป็นชั้นชั้นเป็นเสมือนหนึ่งวงกลมล้อมรอบโลกเราอยู่อนณาเขตของวงกลมเหล่านี้ยื่นออกไปในอากาศอันภัยสารและมีส่วนสัมพันธ์กับโลกนี้ ในการหมุนไปรอบโลกและรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อโลกทิพย์เลยทั้งนี้เพราะดวงอาทิตย์เป็นโลกฝ่ายวัตถุโดยปกติแล้วเราจะไม่รู้สึกซสด้วยซ้าว่ามีดวงอาทิตย์อยู่การที่กะ เ, เจ้ากล่าวว่าโลกทิพย์เป็นเสมือนวงกลมซ้อนกันอยู่รอบโลกมนุษย์นั้นพอจะมีหลักฐานอนุมานได้ จากความจริงที่ว่าเมื่อเวลามีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปมาเยี่ยมเยียนเราท่านเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงมายังภูมิของเราซึ่งหมายความว่าท่านอยู่เหนือเราขึ้นไปทั้งในด้านอาวกาศและในด้านระดับความประณีตของจิตในด้านตรงกันข้ามภูมิแห่งความมืดมิดซึ่งเป็นภูมิชั้นต่ำนั้นก็อยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุด และส่วนที่ต่ำที่สุดของภูมินี้ก็แทรกซ้อน ก, นกันกับโลกมนุษย์การที่เอ็ดวินบอกให้กัปายเจ้าหลับตาเสียเมื่อครั้งที่กัปายเจ้าลากายเนื้อมาใหม่ๆและเพิ่งเดินทางเข้ามาสู่ภูมินี้เป็นครั้งแรกก็เพื่อไม่ต้องการให้เห็นความน่าสยดสยองของภูมินี้นั่นเอง